ที่หอสไตรเราจะสังเกตเห็นป้ายนะมีข้อความติดไว้นะตรงบันไดว่าฉันมาทำอะไรหลายคนก็เห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินขึ้นบันไดแต่ที่จริงถ้าเราไม่เพียงแต่เห็นข้อความนี้แต่ว่า ถามตัวเราเองสักหน่อยก็ดีว่าฉันมาทําอะไรหรือว่าฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่ออะไรเพราะบางทีพอเรามาอยู่สักพักเราก็ลืมไปเลยนะว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรหรือตั้งใจมาทําอะไรที่นี่ถ้าเราถามแล้วพบว่าเออเรา มาที่นี่เนี่ยเพื่อจะปฏิบัติเพื่อฝึกจิตฝึกใจของตัวหรือเพื่อฝึกหัดขัดกลามันก็ทําให้เราจําชัดในจุดมุ่งหมายของการมาที่นี่และพอเราจาเตือนตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่อฝึกฝนเพื่อปฏิบัติ ดังนั้นพอเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไระเราก็จะได้ไม่หวั่นไหวเพราะธรรมดาของการมาปฏิบัติการมาฝึกหัด ก, กัดกามันก็ย่อมมีความยากลำบากมีอุปสรรคเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสบาย แล้บางทีเราก็ลืมไปนะว่าเรามาทำอะไรเราอาจจะมาคิดว่ามาเพื่อหาความสงบอยากได้ความสงบและพอมันมีอะไรที่ทำให้ใจเราไม่สงบเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความขัดเคืองใจบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามาทำอะไรที่นี่นะแต่ว่ามาเพื่อ หาความสงบเพื่อเสบรับความสงบอันนั้นยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายนะที่ถูกต้องของการมาที่นี่เพราะว่าถ้ามาเพื่อสัมผัสความสงบเสบรับความสงบเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวพอออกจากนี่ไปกลับไปบ้าน บางทีแค่ไปถึงแก้งคลอเท่าะะนั้นแหละไอความสงบที่ได้รับที่นี่มันก็จางหายไปซะละเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ขึ้นอยู่กับสถานที่ถ้าเราปรารถนาความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดความสงบ ที่ใจของเราหรือให้ความสงบเกิดขึ้นนะที่ใจของเราความสงบที่เกิดอยู่กับสถานที่เนี่ยมันเป็นความสงบที่เปราะบางแต่ความสงบที่เกิดจากใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงมากกว่านั้นถ้าเราหวังความสงบเนี่ยนะก็ให้ตระหนักว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้่อเมื่อเราได้ลงปฏิบัติได้ลงแรงเอาน้ำพักทำแรงของตัวเองเข้าแลกและขณะเดียวกันถ้าหกว่ามันมีความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะผู้คนก็ตามเพราะ มแมลงหรือว่าความไม่สะดวกสบายของสถานที่ก็ตามอันนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อหาความสงบหรือความสบายเรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อผู้ขายไขดเกา่าถ้าตั้งจิตแบบนี้เนี่ยนะ ในสิ่งที่มารบ ก, กวนใจสิ่งที่มาทำให้ขัดเคืองใจมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นการบ้านเพื่อฝึกใจของเราไม่ใช่พอเกิดความไม่สงบกระทบใจก็บวชวอยวายตีโพตีพายคนที่มีอาการแบบนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะมาอยู่วันแรกหรือมาอยู่กี่วันก็ตามเนี่ยนั่นเป็นเพราะเขาลืมไปนะว่าเขามาทำอะไรที่นี่เดิมอาจะตั้งใจนะหรือบอกกันเลยว่าเนี่ยเรามาเพื่อปฏิบัติแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ลืมนะ ะฉะนั้นพอเจออะไรมากระทบใจก็เลยเกิดความขุนเคืองเกิดความไม่พอใจเพราะฉะนั้นในการมาถามหรือเตือนย้ำว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเนี่ยทำให้เราไม่ลืมจุดมุ่งหมาย และมันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากลางหยู่นช่วงการฝึกฝนตนแล้วก็ย่อมนะมีอุปสรรคมีความยากลำบากเป็นธรรมดามันจะหาความสบายหาความสงบอย่างที่ปรารถนาโดยที่ไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนะก็ต้องไปรีสอร์ท ไปรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะพบแต่ความสบายความสะดวกและอาจจะมีความสงบเพราะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รีสอร์ทเขก็พูดเพราะกับเราผู้จัดการเขาก็ยิ้มแย้มให้เราสภาพแวดล้อมในรีสอร์ทมันก็สวยงาม สบายหูสบายตาอาหารก็อร่อยแล้วก็คงจะไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่รีสอร์ทนะมันก็ไม่ได้มีความสะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็ความสงบก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ใจหวังเพราะว่าคนก็มาจาก ทั่วทุกสรารทิศเขาไม่ใช่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รีสอร์ทที่จะยิ้มแย้มเราให้กับเราบางทีเขาก็อาจจะพูดไม่ถูกหูเราหรือว่าอาหารไม่ถูกปากถ้าเราเตือนหรือแจ่มชัดว่าเรามาเพื่อฝึกฝนขัดเกลาตน ไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรีย น, าายนจะหวังความสบายมันก็ไม่ใช่มันต้องมีความยากลำบากเพราะบางทีครูก็ดุบางทีชั้นเรียนก็น่าเบือ่อบางทีก็ต้องเจอการบ้านมันไม่ใช่รีสอร์ทมันไม่ใช่โรงแรมมันไม่ใช่เป็น สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้พอเราเตือนตัวเองย้ำกับตัวเองว่าเรามาทำอะไรแล้วเนี่ยพอเรามาปฏิบัตินะมันก็สำคัญนะถ้าหากว่าเราถามตัวเองว่าฉันกาลังทำอะไรอยู่อันที่แรกถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไร ที่นี่แต่พอลงมือปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบก็ควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะว่าฉันกำลังทําอะไรอยู่หรือว่าฉันทำอะไรอยู่บางทีเราก็ลืมไปนะว่ากําลังทําอะไรอยู่แม้ขณะที่กำลังเดินจงกรมขณะที่กาลังสร้างจังหวะหรือขณะที่ทํากิจต่างๆ เราก็ลืไมไปนะว่ากำลังทำอะไรอยู่กลับไปคิดว่าฉันจะทำอะไรเมื่อกลับไปคิดถึงวันพรุ่งนี้ว่าฉันจะทำอะไรจะไปหาลูกหรือว่าจะติดต่อเพื่อนหรือว่าจะทำโน่นทนํานี่บ่อยครั้งเนี่ยใครที่เราเดินตรงกลมเราสร้างจงังหวะเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเรา ลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่เราคิดแต่วางการวางแผนว่าจะทำโน่นทำนี่หรือว่าไม่ใช่ทำโน่นทำนี่พรุ่งนี้บางทีอาจจะทำโน่นทำนี่เมื่อเสร็จจากการทำวัดเสร็จจากการฟังธรรมมันมีแต่คิดมันคิดแต่เรื่องว่าจะทำอะไรจะทาอะไรแต่ลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือบางทีก็คิดไปว่าเนี่ย ทำอะไรไบ้างแล้วหรือไปคิดบกมุนอยู่กับสิ่งที่ได้ทาไปแล้วเมื่อทิ่ดแล้วเมื่อวานนี้ฉันไม่น่าเลยนะไม่น่าพูดกับเขาเลยแบบนั้นแบบนี้หรือว่าฉันพลาดไปเสียแล้วนะเมื่อวานนี้เราไม่ค่อยได้ระลึกหรือตระหนักว่ากาลังทำอะไรอยู่นะ แต่ไปจดจ่อหรือว่าจะทําอะไรวางแผนจะทํานั่นทำนี่หรือไม่ก็ที่ไปถึงเรื่องที่ได้ทําไปแล้วผูง่ายนคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหรน่นีมันไปอยู่กับอนาคตหรือไม่ก็อยู่กับอดีตและบางทีไม่ใช่ว่าฉันจะทําอะไรหรือฉันทําอะไรไปแล้วบางทีก็ตเตลิดไปถึงว่าคนอื่นก็ทําอะไรกับเรา ไปจดจอมกมุนจะวเนี่ยทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้เมื่อวานทำไมก็ททำอย่างนั้นอย่างนี้หรือคิดไปถึงว่าเนี่ยเออเขาจะทำอะไรโลกนะพรุ่งนี้นะจะต้องไปเข้าโรงเรียนพ่อแม่จะไปโรงพยาบาลมันก็ไปอยู่อะ เรื่องของคนนั้นคนนี้นี่ไปไกลกว่าเดิมเลยนะไม่ได้จดจอ่อหรือตเตลอไปเคลียร์ก็ว่าฉันจะทำอะไรวันพรุ่งนี้มาลืนนี้แต่ว่าคิดไปถึงว่าเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยเขาวางแผนจะเล่นงานเราหรือเปล่านะเมื่อเรากลับไปที่ทำงาน มันเพิ่มปรุงแต่งไปเลยนะถึงเรื่องของคนอื่นแค่คิดถึงเรื่องของตัวเองแต่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตนี่มันก็ทําให้เราหลุดจากปัจจุบันไปแล้วเพราะนั่นเนี่ยคำว่าฉันกำลังทําอะไรอยู่เนี่ยนะมันเรื่องสําคัญนะไม่ใช่แค่ว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เท่านั้นแต่ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่ตอนเดินจงกลมสร้างจังหวะเท่านนะั้นแต่ว่าเวลาอาบน้ำเวลาถูฟันเวลากินข้าวบางทีเราก็ลืมไปแลว่ากำลังทำอะไรอยู่นั้นกลับมานะกลับมาเราลึกรู้ตหนักว่าฉันทำอะไรอยู่ตอนนี้เรามักลืมเป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันขณะที่กาจารย์มากำลังพูดเนี่ยหลายคนก็ ลืมไปนะว่ากำลังฟังอยู่ใจมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วกว่าจะกลับมาว่ากำลังฟังอยู่ก็คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ว่าถ้าหากว่าเราหัดนะที่จะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันระลึกรู้อยู่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวมากขึ้น แล้วต่อไปไม่ใช่ฉันทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะเราก็ต้องขยายนะการปฏิบัติของเราไปสู่ว่าถูกคำถามทีอว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องมันช่วยทำให้เรารู้ว่ากำลังกายกาลังอยู่ไหนมันทำให้เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้ตัวว่ากายทำอะไร กำลังเดินกำลังนั่งกำลังยืนแต่รู้กายแล้วเนี่ยนะไม่พอต้องรู้ใจนะก็คือรู้ว่าเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่หรือเมื่อกี้กำลังคิดอะไรอยู่นะใจลอยเนี่ยไปถึงบ้านหรือบางทีก็ใจลอยไปที่กุฏิที่พักเพราะว่าไม่แน่ใจว่า ล็อกประตูหรือเปล่าปิดตาต่างหรือเปล่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าฉันกำลังรู้สึกอย่างไรถามตัวเองบ้างก็ดีหรือกลับมาย้อนมองตัวเองว่าฉันกำลังรู้สึกอย่างไรกำลังสบายกำลังผ่อนคลายกำลังเครียดหรือบางทีอาจจะกำลังเศร้ากำลังขุ่นมัวกำลังขัดเคือง นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้นะและการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็เพื่อให้เราได้เห็นได้รูนะ้ตรงนี้แหละว่าฉันกำลังรู้สึกอย่างไรตอนนี้นี่เป็นการปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่แค่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าฉันกาลังรู้สึกอย่างไรเหงาเบือ่อวิตกกังวล ถ้าเราต้องการปฏิบัติให้มากกว่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ากาลังรู้สึกอย่างไรแต่ลองฝึกใจนะให้ยอมรับที่ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นเช่นตอนนี้เนี่ยกลังมีกำลังรู้สึกเศร้านะก็ให้ยอมรับว่าตัวเองกาลังเศร้านี่ก็ปฏิบัติแล้วนะ ไม่ต้องไปกดข่มความเศร้าไม่ต้องผลักสมันแค่ยอมรับว่าตัวเองกำลังเศร้าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัตินะระดับหนึ่งแล้วหรืออนุญาตให้ตัวเองเศร้าได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราก็จะพยายามกดข่มผลักสหรือพยายามหนีพยายามไม่ยอมรับ ถ้าเรายอมรับตัวเองเศร้าเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติมาขั้นหนึ่งแล้วเป็นการจริสติต่อไปเนี่ยแทนที่จะ ย, ยอมรับตัวเองเศร้าก็ยอมรับความเศร้าไม่เหมือนกันนะยอมรับว่าตัวเองเศร้าเนี่ยมันจะมีตัวเราตัวกูเป็นผู้เศร้าอยู่ลองขยับ การปฏิบัติของเราเนี่ยจากยอมรับว่าตัวเองเศร้าเป็นยอมรับความเศร้าเมือนไม่มีตัวเราผู้เศร้าแล้วนะมันมีแต่ความเศร้าหรือให้เห็นนะทีแรกก็เห็นตัวเองเศร้าก่อนเห็นตัวเองเศร้าเห็นโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับความเศร้านะั้นยอมรับว่าตัวเองเศร้า เ น, นื้อให้ตัวเองเศร้าได้จากนั้น ก, นะก็เห็นความเศร้าอันนี้มันก็เป็นการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งแล้วนะมันไม่มีตัวกูผู้เศร้าหรือมันไม่มีตัวตนนะที่เศร้ามันมีแต่ความเศร้านะเห็นความเศร้า นี่ก็เป็นการปฏิบัตินะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เห็นความเศร้าหรอกหรือไม่ได้เห็นตัวเองเศร้ามันเป็นผู้เศร้าไปเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันก็คือเพื่อหเห็นไม่เข้าไปเป็นนะหลวงพ่อคำเขียนท่านเน้นอยู่บ่อยๆเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความเศร้าอย่าเป็นผู้เศร้า แต่ไม่สติมันยังไม่แข็งแรงพอมันไม่เห็นความเศร้าได้ชัดเจนแต่อย่างน้อยก็เห็นว่าตัวเองเศร้านะมันยังมีตัวตัวกูหรือตัวเราอยู่เป็นผู้เศร้าแต่ก็ยังดีที่เห็นนะมันไม่ถึงกับเข้าไปเป็นแต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะ ไม่ใช่เห็นตัวเองเศร้าแล้วมันจะเห็นความเศร้าเป็นการเห็นหรือการรู้ตัวนะที่เกิดจากสติสติมันคือตาไหนที่ทําให้เห็นเราไม่ค่อยเห็นความเศร้าเห็นความทุกข์เห็นความโกรธแต่เราเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้าเป็นผู้เครียด ทุกครั้งนะที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเวลามีความคิดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความคิดนะแต่มันเข้าไปในความคิดหรือเป็นผู้คิดไปเรียบร้อยแล้วการที่เรามาถามตัวเองว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยมันก็เป็นบันไดขั้นต้นในการที่จะช่วยเราเห็นความคิดเช่นเดียวกันการที่เราถามตัวเองว่าเออตอนนี้รู้สึกอย่างไรมันก็เป็นบันไดขั้นต้นที่ทําให้เราเห็น อารมณ์ความรู้สึกต่อไปมันจะไม่ใช่เห็นแค่อารมณ์นะเห็นความโกรธความเครียดความหงุดหงิดต่อไปมันก็จะเห็นสิ่งที่เราเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยแต่ก่อนมันเกิดขึ้นทีไรเนี่ยเข้าไปเป็นทุกทีเลยเป็นผู้เจ็บผู้ปวดผู้เมื่อยแต่เราทำได้มากกว่านั้น แล้วควรทําด้วยนะคือเห็นนะเห็นความปวดเห็นความเจ็บเห็นความเมื่อยเห็นเวทนาน้วนเองหรือจะเรียกว่าเห็นความรู้สึกก็ได้เห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกและไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็เห็นด้วยนะเห็นแล้วก็ ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเป็นอันนี้ทําให้เราเนี่ยเป็นอิสระนะจากความคิดอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้เราห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะาตามเป็นวิสัยปุถุชนโดยเพราะถ้ายังยังเผลออยู่ บ, บ่อยๆมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจ มันก็เกิดนะอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างหรือว่าขุนมัวหุดหงิดขับแค้นเราห้ามไม่ได้ห้าไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราสามารถสาใจไม่ให้มันเผาลนใจบีบคั้นใจกรีดแทงใจได้พูดง่าคือว่า สามารถสาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะมันได้อันนี้เพราะเห็นหรือยอมรับนะไม่แหมจะยังไม่เห็นชัดนะแต่ก็ยอมรับมันก่อนอย่างที่บอกยอมรับว่าตัวเองเศร้าแล้วก็พัฒนาเป็นเป็นยอมรับความเศร้าต่อไปก็เห็นตัวเองเศร้าแล้วก็พัฒนาเป็นเห็นความเศร้าเห็นความโกรธเห็นความดีใจเห็นความเสียใจ เป็นความปวดเห็นความเมื่อยก็ทำให้เราเป็นอิสระเราจะเข้าใจนะที่เมื่อกี้เราสวมดมนต์ท่านจะมีตอนเนื้อบอกเนี่ยละสุขเสียได้ถ้าหลายคนสงสยัยละสุขทำไมนะไอ้ละทุกข์เสียได้นี่มันมันก็ดีอยู่แล้วก็สมควรนะจะทำไมต้องละสุขเสียได้ด้วยละสุขกคือไม่ยึดเพราะว่าดึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อ น, นั้นเพราะว่า สิ่งใดที่เรายึดเมื่อถึงเวลาที่มันแปรปรวนไปก็ย่อมเกิดความเสียใจเกิดความขุนเคืองใจอันนี้ก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นก็อย่าไปยึดมันก็แค่เห็นมันเฉยๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสุขเป็นความดีใจนี่ฝึกเอาไว้เนี่ยนะด้วยการที่เราหมั่นถามตัวเองนะ เริ่มต้นจากการถามตัวเองหรือระลึกอยู่เสมอว่าฉันทำอะไรอยู่ต่อไปก็ฉันคิดอะไรอยู่ฉันรู้สึกอะไรอยู่นะแล้วก็จะนำไปสู่การเห็นการยอมรับความคิดอารมณ์และความรู้สึกโดยที่ไม่ไปดูตกอยู่ในกามครอมงำของมัน